ปนวัดป่าบันตาดวันที่25ธันวาคม2506เราได้เกิดมาเป็นมนุที่มีสมบัติแห่งความเป็นมนุษย์สมบูรณ์ในร่างกายของเรา ได้ทราบว่าเป็นผู้มีพื้นเคอมาแล้วมนุษย์ที่เกิดขึ้นมาในานามเยังคำว่ามนุษย์เท่านั้นที่ขาตกบกพร่องอวัยวะซึ่งเป็นสมบัติแห่งความเป็นมนุษย์มีจานวนมวาก นั่นคือเป็นพูดถึงไม่ถึงพร้อมด้วยความเป็นมนุษย์สมบัติความเป็นมนุษย์สมบัติมนมนมตหมายถึงอวัยวะั้งเราที่เบริเบลและไม่บบใบ่าเสียใจการแห่งมนุษย์ ต้นเหตุต้องเป็นผู้มีคุณงามความดีสมควรที่จะเป็นมนุษย์ได้ทำไมเป็นภูมิที่จะเป็นมนุษย์ในลักษณะมนุษยสมบัติแล้วแม้จะเกิดขึ้นมาก็จักแต่ว่า น, นามนุษย์พนั้นเ่ิอนอาการของคนผู้นั้น จะไม่เป็นเหมือนมนุษย์ทั่วๆไปในโลกเลยดัางที่เราเคยเห็นแล้วในที่ต่างๆซึ่งเป็นหน้าทุเรศเหยื่อกรรมครูแห่งสัตว์ที่เต้มไปตามกาเนดแต่กรรมของเขาก็เนื่องจากว่ากรรมของสัตว์ที่ทำไว้ในโลกนี้ ไม่มีความสม่ำเสมอฉะนั้นกำเนิดของสัตว์ที่จะปรากฏขึ้นแต่ละภพระชาติจึงไม่สม่ำเสมอทั้งที่อยู่ที่อาศัยความเป็นไปในชีวิตของตนประจำกำเนิดและที่นั้ น, น, น ยอมมีการถิดเครื่องลำบากและสะดวกต่างคนดีเป็นธรรมดายิ่งกำเ น, กนดกฎเดชะโดยแล้วมีความทุกขที่ทั้งกลางวันกลางคื น, นไม่เหมือนกำเนดแห่งมนุษย์ของเรา ความที่เขาเป็นตัดเวชานในพบในชาติของเขานั้นเราจะไปดูถูกเหยียดหยามากเขาเป็นตัดต่างชาก็ไม่ถูกเหมือนกันเพราะสัตว์บางรายทีบางประเภทอาจจะมีคุณสมบัติอยู่ภายในใจของเขาแต่เพราะเหตุแห่งกรรมที่เขาทำไว้ อาจมีจุดต่ำอยู่บ้างซึ่งจะยังให้เขาเกิดเา่วยตามกรรมของตนในภพชาตินั้นๆซึ่งปรากฏเป็นสัตว์ให้เราทั้งหลายได้เห็นเมื่อพ้นจากชาตินั้นแล้วกรรมของสัตว์ไม่ได้มีความต่ำชาติโดยถ่ายเดียว อาจจะมีส่วนดีอยู่บ้างแล้วก็จะไรสวรรค์กรรมดีที่ตนได้ทำไว้ยิ่งจะสูงกว่ามนุษย์ของเราเป็นบางอย่างก็อาจเป็นได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าทานจินม่าให้ประมาทอำนาจวาสนาของกันในกัน แม้จะต่างกันเลยกำหนดก็ต่างเพราะกรรมที่ทำไว้แต่ละลายละลายแม้ที่สุดตัวเราเองก็ยังไม่สามารถจะกำหนดรู้ว่าที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้ได้ผ่านกำหนดอะไรบ้างและเป็นมาในกำหนดนั้นๆนานเท่าไหร่ สี่พบสี่ชาตได้รับความสุขความทุกข์อย่างไรบ้างจนกว่าจะมาถึงกําเนดปัจจุบันนี้เราก็ไม่สามารถจะรู้ในความเป็นมาของเราเพระนั้นเรื่องของกฎที่เขาสเสวยกรรมของเขาตามกมําเนดของเขาหนึ่งจึงไม่ควรจะดูถูกเหยียดยามเขาว่าเป็นักฎที่ดำช้าหรือเปล่าเขาอาจจะมีวันหนึ่ง คือจะผ่านพ้นจากกรรมประเภทนั้นแล้วก้าวขึ้นสู่ความสีไหลทั้งด้านกําเนิดทั้งด้านคุณธรรมภายในใจของเขาเหมือนอย่างมนุษย์ของเราก็าได้หรือ ย, ยิ่งไปกว่ามนุษย์ธรรมดาซะมันก็อาจเป็นได้นายเมื่อได้ผ่านพ้นกรรมประเภทนั้นแล้ว ที่ท่านให้ชื่อว่าวัตตะก็คือความหมุนเยียงเบียนภายในตัวเองแต่ละจัตและบุคคลนั่นเองมาในไม้ถึงดินฟ้าอากาศต้นไม้ภูเขาพระทิพพระจันเป็นวัตตะนั่นเขาไม่มีความรู้สึกในเขาเองถึงจะหมุนไปสักกี่รอบกี่ครั้งเกิดตายไปเท่าไหร่ ก็เป็นสภาพห น, นึ่งของสภาวะนั้นๆเท่านั้นไม่ปรากฏเป็นความรู้สึกมีความสุขความทุกข์ความปศกเศรา้าเสียใจในเมื่อตอนได้พักผ้าหรือตอนได้แปลสภาพไปเหมือนอย่างสัตว์นมนุษย์ของเราส่วนสัตว์และมนุษย์ของเรานี้อาการแห่งร่างกายจะแสดง อย่างไรออกมาทุกทุกต้องติดตามมาด้วยทุกทุกขณะของอาการนั้นๆเคลื่อนไหดเพราะฉะนั้นคำว่าทุกขังจึงเต็มไปทุกอาการในส่วนแห่งร่างกายของเราเพราะอ น, นิจจังเป็นสภาพที่แปรผันตลอดเวลาในส่วนของร่างกายและจิตใจอันนี้ ธรรมะอนัตตาจะหาสัตว์หาบุคคลตัวตนที่ไหนในสภาพแห่งร่างกายเหล่านี้ไม่มีอีกเหมือนกันทูที่ไปปักปันเกล็ดแดนเอาสภาพทั้งหลายเหล่านี้ทีเ่เป็นความจริงรอยู่ตามสภาพของตนว่าเป็นของตนจึงเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์รุ่มร้อนภายในใจทั้งท่านและเรา อยู่ที่ไหนจะปรากฏตั้งแต่ความทุกข์ของสัตว์และบุคคลบนกันอยู่วันยังค่าคืนยังลุ่มแต่ก็ไม่เคยปรากฏว่าใดใดได้ผ่านพ้นจากทุกข์เพราะความบุนเพอนั้นไปแม้แต่รายเดียวเพราะผู้กอ่อทุกข์ขึ้นมาแต่ตัวเองก็คือเราผู้บนเพอเรื่องทุกข์ว่าเป็นธาสติดต่อตนเองก็คิดเราอยอย การกอร่อไฟไม่หยุดจะบังคับความรุ่มร้อนมาให้มีมันก็เป็นไปไม่ไ้มีการกอร่อทุกข์ก็เป็นเรื่องของเราเป็นผู้กอ่อขึ้นภายในตัวเองเมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาเราจะติตำหนิติโทษว่าทุกข์มาให้ร้ายก็เป็นแต่เพียงศักว่าคำพูดเท่านั้นไม่มีผลในผลอันใดเกิดขึ้นเนจอบุคลผู้บ่นเพลิ น, นั้นๆ ความเป็นมาทั้งนี้ไม่ใช่จะเป็นมาชาตเดียวพบเดียววันเดียวเดือนเดียวปีเดียวในบุคคลและสัตว์เสระ ล, ละหลายละลายแต่เคยเป็นมาเช่นนี้จนไม่มีใครจะสามารถนับได้ว่าเงื่อนต้นเงื่อนปลายแห่งความเป็นมาของแต่ละลายละลายในสัตว์และบุคคลนั้น อยู่ที่ไหนถ้าจะว่ายืดยาก็ยืดยาจนไม่สามารถจะรู้เงินตนเงินเปลา่าถ้าวารกก็ไม่สามารถจะรู้เหตุเป็นที่เกิดมาของตนว่าเป็นมาจากที่ไหนและเป็นมาแต่เมื่อไหร่น้ำมหาสมุทร แม้จะลึกก็ไม่สามารถหรือไม่มีความลึกเหมือนอย่างจิตที่มีความรุ่มหลงฝังอยู่ภายในตัวเองจนปรากฏเป็นบอ่อแห่งความมุ่นวายลึกกังวลขึ้นแลวปรากฏเป็นตัววัตตะหมุนรอบตัวอยู่ทุกทุกรายในสัตว์ใต้บุคคลก็ไม่มีใครใครจะสามารถรู้ได้ ถ้าว่าสูงก็ไม่มีใครสามารถจะอาจเอื้อมรู้ได้ว่าความเป็นมาทางนี้มีความพอกพูนตัวเองนับตั้งแต่กำเนิดที่แรกของบุคคลและสัตว์ผู้หนึ่ง้จนมาถึงบัดนี้ตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดนำอัตภาพ ของตนที่ตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดนั้นมากองกันขึ้นแล้วจะสูงประมาณสักเท่าไหร่มีก็ไม่มีรายใดจะสามารถรู้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องแห่งมัตตจจึงเป็นสิ่งที่ยากสำหรับวิสัยของเราผู้ที่กำลั ง, งโง่อยู่นะมัดหนึ่ง ไม่สามารถจะรู้ความเป็นมาเลือนลื้นอยาบละเอียดใกล้ไกลหรือสูงต่ำแค่ไหนของตนเองแต่ไม่ใช่เป็นธรรมชาติที่จะเหลือความสามารถของผู้สนใจใคร้ต่อหลักความจริงซึ่งเป็นเห็นทิศแนวทางเดิมที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้แล้วและได้เห็นผลประจักษ์ในพระไทยของพระองค์แล้ว ได้ประทานไว้สำหรับบรรดาสัตว์ทั้งหลายผู้ต้องการความหยุดน้นให้ได้ไต่เต้าตประามพระองค์ท่านธรรมะแปด0 0ืสี่พระธรรมขันล้วนแล้วตั้งแต่เต็นทา้ายทางสำหรับเดินของสัตว์ภูมมุ่งความพ้นทุกข์โดยถ่เดียดเราที่ได้อุวัต เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์มืออวัยวะครบสมบูรณ์บริวูรณ์เป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากอุเทจักระกุญญาตะคือการสั่งสมคุณงามความดีไว้ตั้งแต่พบค่อนแล้วมาปรากฏผลขึ้นให้เห็นความเป็นมนุษย์ที่มี คุณค่ายิ่งกว่าสัตว์ทั้งหลายปรากฏภายในตัวของเรานี่เป็นอันหนึหน่งแล้วเราก็พยายามนำผลกําไรอันซึงเกิดขึ้นมาจากกำดีของเรานี้มาเป็นต้นทุนหมุนเพื่อคุณงามความดีได้จากการปฏิบัติทานศีลภาวนา ห้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นภายในกายวาจาใจของเราเราก็จะเพิ่มคุณงามความดีขึ้นอีกภายในใจอันนี้แม้หากว่ายังจะเยียนว่าตายเกิดในวัะสงสารเราก็จะพอมีทางหลีเล่นจากความทุกข์ท่านนั้นมีความสุขพอประมาณ จนกว่าจะถึงที่จุดหมายปลายทางคือความพ้นทุกข์ได้โดยสมบุแต่ผู้มีความมุ่งหน้าจะพยายามแก้ไขตนให้พ้นจากทุกข์ในชาตินี้จะไม่ขอมาสู่กำเนิดเกิดตายเกิดตายในโลกทุกข์ทรมานนี้แล้ว ผู้ น, นั้นต้องมีเจ็มพิษมุ่งมั่นต่อความพ้นทุกพร้อมด้วยความเพียรธรรมศีลก็ไม่มีอันใดที่จะรักยิ่งไปกว่าแน้ชีวิตจิตใจก็ยอมถีได้เพราะอำนาจแห่งศีลที่ตนนักไพ้นั้นไม่ยอมล่วงเกินอ่าฝืนทางด้านสมาธิการอบรมจิตใจให้ปราศจากเชื้อ อันเป็นเหตุที่จะบ่อนทำลายความสุขภายในใจของตนก็พยายามอบรมให้เกิดให้มีขึ้นด้วยอำนาจแห่งความเพียรจะกำหนดในอวัยวะส่วนใดอาการใดในร่างกายของเรานี้ก็ดีเราจะกำหนดทำบทใดในบรรดาธรรมทั้งหลายที่ถูกกับจริตของเราก็ดี หรือเราจะกำหนดลมหายใจเข้าออกปรากฏอยู่ภายในตัวของเหล่านี้ทุกๆขณะก็ดีจงเป็นผู้มีสติรอบครอบรอบรู้กับอาการแห่งธรรมที่ตนกำลังพิจารณาู่นั้นให้ปรากฏเป็นปัจจุบั น, นธรรมกับปัจจุบันจิตได้แะบทธรรมกับใจของตนพร้อมด้วยสติให้สัมพันธ์กันอยู่เสมอ ทูนี้จะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกโดยไม่ต้องสงสัยในชาติที่อื่นซึ่งจะเป็นสถานที่และผู้ใดมารับรองนั้นจะไม่มีนอกเหนือไปจากหลักแห่งศีลสมาธิปัญญาที่พิผู้อบรมทาด้วยความเต็มอกเต็มใจใคลายต่อความพ้นทุกจริงๆสภาพอื่นมีพ่อแม่เป็นแดงเกิดสัตว์ก็ต้องมีพ่อแม่เป็นแดงเกิด ต้นไม้ก็ต้องมีพ่อแม่มีพันุ์เป็นแดงเกิดคนหรือสัตว์ทุกประเภทมีพ่อแม่เป็นแดงเกิดทั้งนั้นแต่คําว่ามรคนิทานที่พระองค์ท่านทรงประทานไวน้เนี่ไม่ปรากฏว่ามีพ่อมีแม่ที่ไหนมาเป็นแดงเกิดแม้พระพุทธเจ้าได้ทรงอุบัติขึ้นเป็น ถาดด า, าของโลกก็ไม่ปรากฏว่าพระเจ้าสิโทโธธนะและพนางสุมาญาสิมหามายามาเป็นดันเกิดแห่งความเป็นพุท ธ, ธะของพระพุศลเจาโดยก็มุ่งสาวกอรหันทั้งหลายนับเป็นจํานวนไม่น้อยมีพ่อแม่แเป็นดันเกิดเพียงกําเนิดของแต่คนละคายเท่านั้นแต่แดันเกิดแห่งความเป็นพุท ธ, ธะที่บริสุทธิ์ภายในใจนั้น ไม่มีพ่อมีแน่ที่ไหนมาเป็นแรงเกิดให้พระพุทธเจ้าดาสาวกเท่าไหร น, นอกจากธรรมะคือศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนาเมื่อรวมเข้าแล้วคือคุณงามความดีที่บุคคลมีความใข่ต่อผลอันดีแล้วบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นภายในกายวาจาใจท้องตนเท่านั้น จะปรากฏเป็นผู้ดีเกิดขึ้นจากเหตุันดีนั้นเป็นกำนักนับแต่ทางกายทางาจาเข้าไปถึงด้านจิตกจเมื่อได้อบรมตนให้เป็นไปตามแนวทางแางสวัสขาตาธรรมที่พระองค์ท่านทรงตรัดไว้ชอบแล้วผู้นั้นจะปรากฏทำนับตั้งแต่ทมขั้นตน้น จนถึงทมขั้นสุดยอดจะปรากฏขึ้นภายในใจของผู้นั้นเพราะเหตุแห่งคุณธรรมคือสีสมาทิปัญญ า, า, าเป็นแดนเกิดถ้าจะเรียกว่าสีสมาทิปัญญ า, า, าเป็นพ่อแม่แห่งมรรคผลุาผ่านก็ไม่ผิดเพราะอันนี้เป็นสมุติประเทศเงเทียบกันได้กับสมุติทางโลก ที่สัตว์และบุคคลมีพ่อแม่เป็นแรงเกิดคำว่าพระโสดาปติมักโสดาปติผลสกิทาคามัสติชาวาผลอนาคาริมักอนาคาริผลย่อมเกิดขึ้นมาจากเหตุอันดีทั้งนั้นอา้าวขอสรุปความลงใกล้ๆหรือยอ่ยอๆว่า ศีลสมาธิปัญญากราวเป็นส่วนรวมไว้ทั้งส่วนอยากส่วนกลางส่ว น, ว น, นหนึ่รรปปเป็นแดนเกิดแห่งคุณธรรมคือโสดาปฏิมักโสดาปฏิมักเป็นแดนเกิดแห่งคุณธรรมคือโสดาปฏิผล สกีทาคามัคเป็นแดนเกิดแห่งโซโดาปะพิพนอนาคามิมัคเป็นแดนเกิดแห่งอนาคา ม, มิพน์อรหัตตมัคเป็นแดนเกิดแห่งอันอรหัตตะพน์อรหัตตมัค ก, กับอรหัตตผลเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยกันทั้งคู่แล้วนั่นแหละ เป็นสถานที่จะผิดนิพพานหนึ่งขึ้นมาได้ในขณะของพระหัตตมักกับอรบหัตผลข้อมูลกันแล้วปรากฏเป็นธรรมอัตจันรร์ขึ้นมาในขณะนั้น นี่ถ้าจะกล่าวโดวยความมีพ่อแม่เป็นบรรจุในหลักธรรมก็ต้องเทียบพันอย่างนี้ที่นี่สิ่งทั้งหลายที่จะปรากฏขึ้นมานับตั้งแต่มรรคจนถึงผลต้องมีต้นเข้าไปจากตัวของเราผู้จะบำเพ็ญอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราทุกทุกท่านเวลานี้พร้อมอยู่แล้ว ที่จะเป็นผู้สามารถผิดอภเหตุอันดีขึ้นภายในกายมารสาใสั้ง็นเพื่อพ้นอันดีเป็นเครื่องสนองตอแงตแบแทนเป็นลาบากใจจงยาได้มีความพ้อใจในการประกอบความเพียรย่าเห็นว่าการประกอบความเพียรเป็นความทุกข์ยากลำบาก ขนาดการประกอบความเพียรเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์ถือว่าเป็นของลำบากแล้วเราที่จะ ม, มาเียนว่าตายเกิดในมะตะสงสารภาพของทุกข์ในความเกิดความตายของตอ น, นจะมีประมาณหนักหรือมากน้อยเท่าไรเราต้องน้นอมสิ่งเหล่านั้นเข้ามาเทียบเทียงกับ ความลำบากของความเพียรที่เพื่อตนจะพ้นจากทุกข์นี้เมื่อเราเทียบโหดเหตุเทียบผลได้เป็นสัดส่วนอันดีแล้วเราก็คงจะมีความภาคความเพียรโดยไม่คำานึงถึงเรื่องความทุกข์ความลำบากเพราะเราเคยเกิดในโลกในสงสารเคยทุกข์ใครเราเคยลำบากยากยิ่งกว่านี้เรายัง ฝ่าฝืนหรือบึกบุนมาได้จนถึงแบบนี้เราอยากเข้าใจว่าเรื่องการเกิดตายในไตรโลกธาตุนี้จะมีชิ้นใดที่ประเสริฐเลิศยิ่งกว่าการทนจากสภาพเหล่านี้ไปเสียหากว่าในไตรโลกธาตุ ที่สัตว์ทั้งหลายมาเกิดตาอยู่นี่เป็นธรรมชาติประเสริฐแล้วพระพุทธทเจ้าจะเป็นผู้ประเสริฐและสาวกสงฆ์สาวกจะเป็นผู้ประเสริฐและเป็นฐานะของมรรดาสัตว์ทั้งหลายในไตรโลกธาตุนี้ไม่ได้ที่นั่นเองเพราะธรรมสัตว์ทั้งหลายในไตรโลกธาตุนี้ย่อมมีโอกาสประสบความประเสริฐยิ่งกว่าความเป็นพระพุทธทเจ้าและสาวกทั้งหลายนั้นเสียแต่นี้ไม่เป็นเช่นนั้น จะโลกไหนก็ตามที่ว่าโลกเกิดแล้วต้องเป็นโลกตายเรื่องคุกต้องเป็นธรรมชาติที่จะต้องคุกค้ากับความเกิดความตายแยกจากกันไม่ออกเราอย่าได้สงสัยในความเกิดตายนี้ว่าจะเป็นสิ่งที่ประเสริฐเลื่อเลออันใดพอที่จะทำใจพวงเราให้ประหมาทนอนใจและติดด่ กับยาพิษเครื่องล้วนลวงคนโง่เท่านั้นหลักที่จะประกันคุณภาพแห่งธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ผลผลออกมาโดยสมบูรณ์และผลผลออกมาเป็นลำดับนับแต่ขั้นต่ำจนถึงขั้นอันสมบูรณ์นั้น โปรดได้ถือหลักธรรมที่เคยอธิบายให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ทราบมาหลายครั้งแล้วว่าหลักปัจจุบันเท่านั้นเป็นหลักสำคัญยิ่งเราจะพิจารณาเรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วเรื่องใดก็ตามโปรดได้น้อมเข้ามาสู่วงปัจจุบันคือเราเสมอเราจะ คิดไปเรื่องอนาคตก็โปรได้น้อมเข้ามาสู่วงปัจจุบันเทียบกันกับเรื่องของตัวเราเพราะเรื่องอดีตกับเรื่องอนาคตเป็นเรื่องของไตรลักษณ์ทั้งนั้นมีเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องทลายเรื่องทัดชาติทั้งนั้นไม่มีเรื่องใดที่ปรากฏเป็นนิพพานซึ่งเราก็เคยผ่านมาแล้วเป็นเวลานานผ่านเรื่องของอนิจจังทุกขังรตามาทั้งนั้น แต่เราไม่ทราบว่าสิ่งเหล่านั้นสืออะรจรึงไม่เกิดความสะดุดอกสะดุดใจสะทกสะท้านหวาดเสียวต่อความเป็นมาของคน ท, งทั้งที่เคยทานกองเคยมาแล้วอย่างโชกโชนด้วยกันเมื่อได้น้อมเรื่องอดีตอนาคตเข้ามาปรากฏอยู่กับองค์ปัจจุบันเคลือ แล้วเราจะได้ความรู้ความเข้าใจทั้งที่จากอดีตที่ผ่านมาแล้วทั้งอนาคตที่จะเป็นไปข้างหน้าว่ามีสภาพเช่นไหนบ้างเทียบกับปัจจุบันที่กำลังเป็นไปอยู่น่ะมันก็จะเป็นไปเพื่ออดีตอนาคตอีกเช่นเดียวกัน ทำมาให้ถือหลักปัจจุบันเป็นหลักสำคัญมันถือให้พิจารณาภาพที่มีอยู่กับตัวของลัาด้วยความมีสติสำประดิษิ์สมอยาได้ถือการขาดสติว่าเป็นของมีสินค้าภายในตัวของลัาในขณะเดียวกันเป็นโมคะบุริษ หรโมฆะบุคคลในความเพียรนั้นสติที่มีความสัมพยุตอยู่กับความเพียรในวงปัจจุบันประมาณมากน้อยเท่าไรผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้มีความเพียรติดต่ออยู่ตลอดเวลาเท่านั้นความเพียรติดต่อโดยยุธีนี้สามารถที่จะผิดผลให้ปรากฏขึ้นภายในใจของคนเป็นลําดับ เมื่อความเปียนได้มีความติดต่อสืบเนื่องกันอยู่เึ่นนี้โดยความมีสติแนวเรื่องผลอันจะพอกคูณขึ้นมาภายในใจให้รับความย่นยันแจ่มใสความเยือเกเย็นความสมายความกระจ่างภายในใจจะปรากฏขึ้นกับใจดวงที่เคยลุ่มหลงและเคยโง่ต่อตนเองมานี้โดยไม่ต้องสงสัย ผู้ใดได้กําหนดรำบทใดอาการไใดจงเป็นผู้มีสติอยู่กับบทธรรมและอาการนั้นๆ น, น, นี่ท่านเรียกว่าเป็นปัจจุบันนธรรมในสภาวะธรรมด้วยเป็นปัจจุบันนจิตที่เกี่ยวข้องกับสภาวะธรรมนั้นโดยความมีสติเลือกเมื่อปัจจุบันนธรรมคืออาการแห่งธรรมทั้งหลายกับปัจจุบันนจิตคือผู้พิจารณา มีความทุ่มพันอยู่เช่นนี้จิตจะต้องรู้สึกเรื่องของตัวและเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเป็นลําดับไม่ใช่จิตจะมีความโง่ตลอดไปนอกจากจิตจะเดินไปในทางเถือเลยที่เคยเป็นมาแล้วโดยม่มีหลักหรืออัตธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาเท่านั้น จิตจึงจะเป็นไปเพื่อการสังสมพิเรศและความโง่ต่อตัวเองโดยไม่มีจิงสุขอีกเหมือนกันพระพุทธเจ้าพิจารณาสติปัฏฐานสี่ทำไมจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายท่านพิจารณาทำไมเป็นสาวกอรหันเวลานี้สติปัฏฐานสี่อยู่ที่ไหน ทรงประทานไว้เพื่อขายเราผู้ฟังทำอยู่ใบัดนี้มีแต่สติปัญฐาสีหรือบกพร่องที่ตรงไหนบ้างคำว่ากายเต็มสมบูรณ์อยู่ในตัวของเราล้วนตั้งแต่สติปัญญาสีทั้งนั้นมีบกพร่องที่ตรงไห น, นเวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยแสดงอยู่ทั้งวันทั้งคืนมีบกพร่องที่ตรงไหนจิตผู้รับรู้เรื่องของกายเรื่องของเวทนาทั้งหลายเหล่านี้ตลอดเวลาไม่มีหลับแค่ตื่นมีบกพร่องที่ตรง ทำคือทำมารมที่เกี่ยวข้องกับภายในใจทั้งภายนอกภายในสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนมีบกพร่องที่ตรงไหนอื่ที่กายทั้งหมดนี้เรียกว่าสติปัฏฐานสี่คือกายเวทนาจิตธรรมสิ่งที่บกพร่องอยู่ก็คือคือความสนใจต่อเรื่องของตัวเท่านั้นเป็นสิ่งที่บกพร่องสำหรับบุคคล ท, ที่ไม่มีความเฉียด เมื่อเราทําความสนใจต่อเรื่องของเราอยู่เท่านี้สิ่งบกพร่องทั้งหลายเหล่านี้จะต้องปรากฏเป็นความสมบูรณ์ขึ้นมาเป็นลำดัแบบจนถึงขั้นสมบูรณ์เต็มที่แล้วขอดขอนจิตใจของตนให้พ้นไปจากสภาวะที่เคยเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันกลายเป็นเอกริตเอกธรรมธรรมชาติที่เลิ่ขึ้นภายในตัวจิตดวงนั้นก็กลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์พุทโธขึ้นเช่นเดียวกับจิตของพระพุทธเจ้าและสาวกท่านั้นเพราะเดินทางสายเดียวกัน จะมีความแปลกประหลาดกันที่ตรงไห น, นลักษณนะแห่งการปฏิบัติพิจารณาก็ถือสถานที่อันเดียวกันยึดสถานที่เลือดและแนวทางอันเดียวกันผลที่จะปรากฏจะเป็นื่นมาจากที่ไหนนอกจากจะเป็นเอกก็ิจเกียตธรรมอันเดียวกันกันกบท่านผู้ที่ทานพ้นไปแล้ว ขอให้เราทั้งหลายได้ทำความสนใจต่อเรื่องของเราอย่าปล่อยให้สฏิปัฐาน4ีคือกายเวทนาจิตธรรมเป็นโมฆะสำหรับเราจนตายทพิ่งเปล่าเปล่าไม่เป็นประโยชน์อันไดเลยจงนำกายเวทนาจิตธรรมมาเป็นเครื่องสักพ้อจิตใจหรือหินลับปัญญาของเราให้ผมกล้าสามารถจะคว้าสารกายเวทนาจิตธรรมนี้ให้ขาดสะบั้นออกจาก ตัวของเราหรือใจของเราตติปฐานสี่จะกลายเป็นปุ๋ยเครื่องหล่อเลี้ยงสิตใจให้มีความเติบโตด้วยความเฉลียวฉลาดอำนาจวาสนาขึ้นภายในตัวจนถึงกับค้นจักทุกปรไปได้เสียโดยสิ้นเพศเพราะอำนาจของตติปฐานสีที่ผู้พิจารณาไม่ยอดทอ้อต่อเรื่องของตัวเอง พระพุทธจาตรัสรู้อยู่เมืองอินเดียถ้าจะคิดอย่างโลกโลกก็ไกลแสนไกลแทบจะพูดได้ว่าคนละมุมโลกกับโลกของเราเองแต่เมื่อคิดตามหลักความจริงที่เป็นไปในพระพุทธเจ้าและสามโลกทั้งหายแล้วมันเป็นความจริงเช่นเดียวกันกับเราที่นั่งเฝ้าความจริงอยู่ในบัดนี้ กายของพระพุทธเจ้ากับกายของเราเป็นกายเช่นเดียวกันเวทนาความสุขทุกข์เฉยๆของพระพุทธเจ้า ก, กับเวทนาความสุขทุกข์เฉยๆภายในกายภราใจของเราเป็นเวทนาเช่นเดียวกันจิตความคิดความปรุงของพระพุทธเจ้า ก, กับจิตกําลังคิดกาลังปรุงของเรารอยนะู่ในบัดนี้เป็นความคิดเช่นเดียวกันธรรมอารมณ์ที่เกี่ยวกับสิ่งต่างๆซึ่งออกไปจากจิตใจของเรานี้ ของพระพุทธเจ้ากับของเราก็เป็นธรรมอารมณ์เช่นเดียวกันเป็นสภาพที่จะให้เกิดความรู้และความหลงได้ด้วยกันเท่านั้นถ้าไม่มีสติปัญญาพิจารณาเมื่อเป็นเช่นนั้นเมืองอินเดียนน้นกับเมืองเรากับเรานี้ต่างกันที่ตรงไห น, น ในสภาวะธรรมที่เราจะก้าไปตามทางสมเด็จพระผูกเหนือภาคเก้า จ, าจึงควรจะเห็นว่าห่างกันไม่ไกลกันศีลจะปฏิบัติให้บริสุทธิ์จะปฏิบัติที่คงไหนนอกจากจะปฏิบัติในสถานที่ไม่มีศีลมีเท่านัา้นถ้าไม่มีศีลก็คือเราแต่ก่อนเราไม่เคยรักษาศีลศีลเราก็ไม่มี เมื่อเราเป็นผู้ปฏิบัติรักษาใกล้ต่อการรักษาศีลให้ตนเราก็ปรากฏเป็นภูมิศีลขึ้นมาภายในตัวของเรายู่ที่ไหนก็มีศีลที่ไหนความมอกแวกของแนสลีความพุ้งเพือเหือมภายในใจไม่ว่าใจของไข่ใจของคนอินเดียกับใจของเมืองไทยเราครับใจของเรามันเป็นใจที่มีกิเลสด้วยกันมันต้องเล่ละเหเล่ร่อนเหมือนกันเมื่อได้ถูกธรรมะธรรมสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่อง กดดบังคับหรือตุกผลทรมาตไม่ว่าใจของใครเขาจะต้องอยังเข้าสู่ความหายพยศปรากฏเป็นความสงบสุขขึ้นมาภายในใจด้วยกันไม่ต้องถือว่าใจของใครของเราขอจะมีข้อปฏิบัติเป็นเครื่องจำกับรักษาเท่านั้น สติของพระพุทธเจ้าเป็นสติเช่นไหนในเบื้องสนกอเป็นสติล้มลุกคุกครานเช่นเดียวกับสติของเราทาาั้งหลายนี้ก่อนที่คนกระตรวจเป็นผู้ใหญ่ต้องปรากฏมาตั้งแต่เป็นเด็กด้วยกันต้องมีการล้มลุกคุกครานกาลังบางชาไม่แข็งแรงต้องอาศัยคนอื่นเลี้ยงดูปูปกุกปลกรักษาจนเจะใหญ่โตขึ้นมาได้จนกว่าจะเลี้ยงตัวคุม้ม สติของพระพุทธเจ้า ก, ก็มีลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันแต่เพราะการบำรุงรักษาของพระองค์ท่านมาขาดวัคขาตอนอยู่เสมอก็ปรากฏเป็นมหาสติเป็นมหาปัญญาเป็นศาสดาของโลกขึ้นมาเราผู้มีความสนใจใคล้ต่ อ, อการบำรุงสติบำรุงปัญญาของตนภายในตัวของเราเราก็ ยึดเอาหลักของเทพบุตรเจ้าออมาบำเพ็ญตั้งหน้าประพฤติปฏิบัติตนของตนอย่ามีความพ้อแท้โ อ, อนแอรในการประกอบความภาคความเพี่ยรเราก็จะค่อยแปลสภาพจากความเป็นผู้โงขเขาวเบปัญญาขาดสติสตังกายเป็นผู้มีสติปัญญาขึ้นมารอบตัวเรื่องที่เ ร, รตัญหาอาสวะซึ่งเคยมีตั้งรากตั้งบ้านตั้งฐานอยู่ตั้งบ้านตั้งเรือนอยู่ภายในใจเราเป็นซึ่งเป็น ธรรมชาติที่เราก่อขึ้นมานิสังสมขึ้นมาแต่เราเป็นผู้จะทำลายสิ่งเหล่านี้ด้วยความดีของเราสิ่งเหล่านี้ก็ทนอยู่ไม่ได้เช่นยู่ย่ยอมจะแตกกระจัดกระจายสูญหายไปหมดสิ่งที่ปรากฏอยู่ก็คือธรรมชาติที่ดีนานภายในใจ แน้จะไม่ประกาศออกให้โลกเห็นก็าตามธรรมชาติที่บริจิตแล้วจะปิดไว้ไม่ไม่ได้สำหรับบุคคลผู้รู้ท่านจึงตรัสไว้ว่าชั้นทิศทิศโปกและปัจจตังเวริตบูบินบินเป็นสภาพที่ประกาศตั้งบานอยู่ภายในความรู้ของผู้บริธิตนั้นทั้งวันทั้งคืนโดยไม่มีบกพร่องและไม่มีอะไรจะสามารถมาปิดบงังปิดบังไม่ได้ สำหรับผู้จะให้รู้ผู้รู้ของตนต้องรู้ได้ทุกเกืดอยขอแต่เป็นผู้มีข้อปฏิบัติหลักของสติปัฏฐานสี่ก็ดีหลักของภูตรร อ, อ, อริยสัจธรรมทั้งสีท่ทีภูตประมุทะนิโรธมา ก, ก่าดีเป็นธรรมอันเดียวกันทั้งั้งพระุทธิจ้ายัางทรงพระชนดิด และพุทธิพานจางนี้นท้งของพระพุทธเจ้าและของพวกเราไม่มีอันใดผิดแกตกต่างกันเป็นสภาพเกี่ยวเนื่องกันอยู่เช่นนี้ฉะนั้นขอให้ทุกท่านได้ทำความสนใจต่อตนเองและเรื่องของตนเอง ที่ปรากฏอยู่ภายในใจทุกเสลยยาได้ละให้ขาดวักขาดตอนเหยียเวล่อเวลาหมดลมหายใจไปเปล่าในวันหนึ่งคืนหนึ่งทีวิธนี้จะไม่ยั่งยืนถาวรไปถึงไหนก้าวไประยะไหนก็มีแต่จะก้าวเข้าไปกีบทมแตกสลายเท่านั้นถ้าผู้ประมาทแล้วจะไม่รับประโยชน์ใดจากลมหายใจที่เข้าออกสุทุกขนานี้ ส่วนผู้มีความไม่ประมาทผู้นั้นแหละหายใจออกก็มีกำไรหายใจเข้าก็ได้กำไรมีสติจะตังมีความรู้ความฉลาดจากลมหายใจของตนจากร่างอันไม่เป็นสาระแก่สานของตนนี้ตรงที่ยนานดูสติปัฏฐานสีทุก สมุทัยนิโรธมรรคที่เรียกว่าอาวียสัต์จะทำทั้งสี่ทังตนให้รอบไม่ได้กว้างแคบที่ไหนธรรมะทำตังสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้ลึกจนไม่สามารถจะมองเห็นเพราะทุกอยู่ที่ไหนธรรมะก็อยู่ที่นั่นสมุทัยอยู่ที่ไหนธรรมชาติเครื่องแจ้ก็อยู่ด้วยกันคุกสมุทัยนิโรธมรรคอยากเข้าใจว่ามีนอกเนื้อไปจากกายกับใจของเราดนี้ สติปัฏฐานสโตรดได้ทราบว่าคือกายมาจาใจของเหล่านี้ผู้จะแก้ไขสิ่งทั้งหลายที่เคยเกี่ยวข้องควพันกันก็คือเรื่องของใจมีสติกับปัญญาประกอบเป็นองค์ความเพียรที่นิี่เจนาอยู่ในบริเวณแห่งสติปัฏฐานสี่และอริยสัจธรรมทั้งสีนี้โดยรอบตัวเรื่องสติปัญญาจะไม่ต้องหาขึ้นมาจากตึกบ้านร้านตลาดที่ไหนจะปรากฏขึ้นมาภายในใจของผู้นั้น เป็นลำดับลำดับนับตั้งแต่ขั้นส ต, ติธรรมดาขั้นปัญญาธรรมดาจนกลายเป็นขั้นมหามหาส ต, ติมหาปัญญามีความสามารถแก้กล้าต่อการพินิจพิจารณาในสิ่งที่จิตขวางตัวเองซึ่งเกิดขึ้นจากตัวเองได้ทุกอย่างจากบุกคคลผู้มีความเพียรไม่ขาดวักขาดตอน เมื่อสติ ป, ปัญญาได้แปลสภาพขึ้นมาสู่ความเป็นมหาสติมหาปัญญาแล้วที่เรศ จ, จะซ่อนตัวอยู่ที่ไหนปัญญานี้สามารถจะสอดส่องแทงทะลุปุกรงไปหมดไม่มีอันใดเหลือไม่ต้องพูดถึงเพียงว่าส่วนร่างกายซึ่งเป็นของอยาบๆนี้ ที่ปัญญาจะไม่สามารถรู้เท่าทันและถอดถอนตนได้แม้ส่วนเวทนาสัญญาสั้งขานญญานิยางซึ่งเป็นส่วนละเอียดยิ่งกว่ารูปธรรมนี้ปัญญาและสติก็าสามารถที่จะสอดส่องมองรู้ได้ชัดหมดและถอนตนออกมาจากธรรมชาติอันนี้ได้อีกและเอียดริ่งกว่านั้นก็คือรังของอวิชชาได้จะจิบดวงที่ทรงไว้ซึ่งจีดทั้งดวงนี้ที่ถือกันว่าเราว่าเขานี่เอง ปัญญาก็สามารถจะแทงทะลุปูปลงไปหมดซึ่งราักฐานอันเป็นที่เกิดของที่เด็กและพบตราชทั้งหลายคือหัวใจดวงนี้ปัญญาจะสามารถแทงตลอดทำลายธรรมชาติอันเป็นบอกกังวลให้เกิดเจ็บเจ็บตายของสังตว์นี้ได้ภายในใจดวงนั้นโดยไม่ต้องสงสัยเมื่อสติปัญญามีความสามารถแก้งกล้าแล้วธรรมชาติที่ว่าอาวิชากับใจดวงนี้ เป็นธรรมชาติที่ตัมพันเฉลี่ยเรื่องการมาขีกับขีกันนั้นจะถูกสติตปัญญาทําลายลงได้ในขณะเดียวเท่านั้นเรื่องบอ่อเกิดบอ่อตายทั้งหลายจะเป็นธรรมชาติที่สูญเชื่อลงไปในขณะที่ปมแห่งอวิชชาได้ขาดประเด็นลงไปนั่นแหละท่านเรียกว่าพุทโธของพระพุทธเจ้าก็เกิดขึ้นในขณะนั้นสังโคที่เด่น เป็นชนะของพวกเราทั้งหลายก็ปรากฏขึ้นในขณะที่ทำลายวิชาได้จากใจดวงนั้นเราจะเป็นพุท ธ, ธะที่สมบูรณ์ภายในใจของเราจะเป็นสังฆะที่ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมอันประเสริฐสำหรับเราก็จะปรากฏขึ้นในขณะนั้นโดยไม่ต้องสงสัยฉะนั้นขอให้ทุกๆท่านจงมีความภาคภิษณ์ขยันสนใจต่อเรื่องของตัวยาเห็นมาเรื่องเหล่านี้ เป็นข่าติดและเกิดความอิจนาละอาใจนั่นจะเป็นเหตุให้ธรรมัตต์ให้ยืดยาวไปไม่ใช่เป็นทางที่จะดลมัตต์ให้สั้นและน้อยลงจนกระทั่งถึงขาดไปหมดนอกจากความเพียรเท่านั้นไม่มีอันใดจะสามารถดื้อฟื้นตนเองให้ทนจากวัตถศนิยมและไม่มีธรรมชาติอันใดที่จะสามารถทําลาย ตัวพบตัวชาติซึ่งฝังอยู่ภายในโรงใจมากเป็นเวลาผีกับนับในถ่วง น, นี้ให้แตกก็จะกระจายไปได้นอกจากหลักของสติปัญญาที่ผู้มีความเพียรสนใจบำเพ็ญให้เกิดมีาลังขึ้นภายในตนเท่านั้นเรื่องที่กระเทือนสะท้านอยู่ทั้งวันทั้งคืน เราได้พิจารณาดูออรอบคอบแล้วเลยเรื่องอะไรที่สะเทือนอยู่ทุกเวลานี่มันเรื่องเกิดเรื่องตายทางนั้นเราจะเห็นว่าเป็นเรื่องยุ่เกศยุ่โตอันใดการเกิดตายไม่ใช่เป็นของประเสริฐเลิ่โลกอันหนึ่งขอที่จะพยายามกันในเรื่องความเปิด ความกวัก็คือบอ่อแห่งความทุกข์นั่นเองขอให้ทำความเข้าใจกับตัวเองอย่าไปทำความเข้าใจกับใครไม่มีใครจะสามารถรู้เรื่องและทำความเข้าใจต่อตนเองได้เท่ากับตัวเองเราสงสัยอะไรเรื่องเกิดเรื่องตายมันมีอยู่กับเรา เคยพิพมันเดตํานานให้เราอะไรบ้างเราต้องพิจารณาให้ถ้าจะตามเสด็จพระพุทธเจ้าให้พ้นจากหาเพลิงอันใหญ่นี้ต้องเป็นผู้หนักแน่นต่อความภาคความเกียรให้มีความหนักแน่นทุกด้านไม่ต้องบอกแบบคอนแฟร พระพระพุทธเจ้าไม่เคยทําพระองค์ให้บอกแยกคอนเฟิร์ตและไม่เคยนําความวลอกแยกคอนเฟิร์ตมาสอนัทุกๆพระโอวาทที่ทรงประทานไว้ใ่สัตวล้วนแล้วแต่ออกมาจากความมั่นคงของพระพุทธเจ้าเองไม่เคยบอกแยกรคอนเฟิร์ตต่อพระองค์และสอนสาวกตลอดบรรณาสาตว์ทั้งหลายให้เป็นผู้บลอกแยกรคอนเสิร์ตต่อหลักความจริง ที่จะทำตนให้พ้นจากทุกข์มาได้เลยงดงามดังนั้นเราผู้จะน้อมตัวของเราให้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถึงจิตถึงใจแล้วโปรดได้เห็นความภาพ ค, ความเพียนตัวใจรือ้อถอนตนค้นจากทุกนี้ว่าเป็นการเสด็จตามพระองค์ญา้ิหรือตามพระองค์ธรรเราจะเป็นผู้สิ้นสุดในเรื่องบอกกังวลคือความเขัดตายทั้งหลายภายในใจของเรา ในวันหนึ่งแม่เด็กไม่ต้องเไป็นมใจแม่เอาตามันก็ทําิจกรรมอมนนรรๆๆื่นความมากแห่งคุณพระรัตรประการมาพบปะักษาบัรดาธนักปิดัตทั้งหลายให้มีความทุกจิรสบายใจเดกทุกคนกัเติ